พวกเรานะถ้ารักตัวก็พยายามทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอนะถ้าเราไม่รู้สึกตัวกิเลสนะความทุกข์ความหลงมันก็จะมาครอบงมจิตใจของเราได้จะทำอะไรก็ให้รู้สึกตัวนะ ยืนเดินนั่งนอนคู่ขาเหยียดขานะเดินไปข้างหน้าถอยกลับมาข้างหลังนะจะกินดื่มเคี้ยวลิ้มนะอุจรปรสวะนะจะเดินนะยืนนั่งพูดหรือนิ่งหลับหรือตื่นนะก็พยายาม ให้มีความรู้สึกตัวหลับในที่นี้มันยังหลับตานะแต่ว่าถ้าหลับแบบนอนหลับไปเลยอันนี้ก็มันก็ยากแหละที่จะรู้สึกตัวจะรู้สึกตัวได้เนี่ยใจก็ต้องอยู่กับเนื้อกับตัวนะถ้าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันจะรู้สึกตัวได้อย่างไรใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้ก็เพราะว่ามีสติ นะคอยรู้เท่าทันเวลาใจเผลอไปนะเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนีนะ้ก็มักจะหนีไม่พ้นนะคิดเรื่องที่ผ่านไปแล้วหรือว่านึกถึงสิ่งที่ยังไม่มาแต่ก็ปรุงแต่งนะไปต่างๆ น, นานาว่ามันต้องมาแน่แล้วก็มักจะปรุงแต่งไปในทางร้าย ก็ทําให้เกิดความหนักอกหนักใจความวิตกกังวลในใจเราชอบท่องเที่ยวไปไหลไปอดีตลยอตลยไปอนาคตเสร็จแล้วก็จมอยู่ในอารมณ์อารมณ์จริงๆก็มีทั้งบวกและลบนะมีทั้งยินดียินร้ายมีทั้งฝูทั้งแฟดแต่ไม่ว่ายินดียินร้ายฟูแฟดก็ไม่ดีทั้งนั้นยินดีความสุขดีใจ อย่าไปคิดว่ามันดีนะเพราะว่ามันไม่ได้ยั่งยืนถาวรพอมันทราบขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เสียใจเมือนก็มีคนชมเรานะคนชมเราก็ดีใจแต่พอเขาไม่ชมเราก็จะเริ่มเสียใจแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นเงินเยอะนะเวลา เล่น Facebook นี่ถ้าใครไม่กดไ like ลน์นะี่ก็จะรู้สึกเสียใจรู้สึกว่าทำอะไรผิดหรือเปล่านะสมัยนี้ต้องไปตามบอกเพื่อนไปบอกทางไลน์ว่าให้ช่วยกดไลน์ให้หน่อยนะนี่เพราะอะไรเพราะว่าทุกทุกที่ไม่มีคนชมนะเขายังไม่ทันด่าเลยนะแค่ไม่ชมก็ทุกข์ลว ได้ทุกที่ไม่มีคนชมก็เพราะอะไรก็เพราะว่าติดใจในความสุขติดใจในอาการฟูนะเมื่อมีคนชมเวลากินอาหารอร่อยก็มีความสุขแต่พอไม่ได้กินหรืออาหารไม่อร่อยอย่างที่เคยลิ้มเนี่ยก็จะไม่พอใจนั่นแหละคือทุกนะหลวงพ่อชาท่านก็เปรียบนะว่า อารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันก็เหมือนกับงูนะถ้าอารมณ์ฝ่ายบวกก็เหมือนกับหางงูอารมณ์ฝ่ายลบก็คือหัวงูนะทุ ก, ก็เหมือนกับหัวงูสุขก็คือหางงูไปยึดในทุกนะก็มันก็ไปจับหัวงูเดี๋ยวมันก็กัดเอามันกัดทันทีเลยส่วนหางงูจับไว้ก็ไม่ใช่ปลอดภัยนะ ถ้าจับแล้วไม่วางเดี๋ยวมันก็แววงกัดสุขหรือทุกข์นี่ก็อย่าไปเอามันนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นก็ปฏิเสธไม่ได้ก็แค่รู้มันรู้ให้ทันไม่ปล่อยใจให้หมกจมอยู่กับความสุขหรือว่าหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์สติที่มันจะช่วยให้รู้ทัน อาการของใจรู้แล้วจะทำให้หลุดจากอารมณ์เหล่านั้นไม่ว่าฟูหรือแฟบดีหีืร้ายกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่ว่าปลื้มในคำชมจนลืมตัวหรือว่าอย่างคนหนุ่มเห็นแฟนนะก็เรียกว่าใจลอยเลยเห็นแฟนใจลอย เดินข้ามสวนไก่กโดนรถชนหรือว่าเดินบนฟุตบาทก็อาจจะตกท่อได้นะอันนี้เรียกว่าปลื่มนะใจลอยนะจนหลงไปเลยมันก็เป็นโทษเหมือนกันนะดีใจนะได้ลอตเตอรี่ถูกระวันต้นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรือว่าจบปริญญาฉลองกินเหล้าเมา ขับรถกลับบ้านก็ประสบอุบัติเหตุหรือถึงไม่กินเหล้านะแต่ว่าความปลืม้มความปิติลิงโลดนะมันก็ทำให้ฝันกลางวันขณะที่ขับรถก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะความดีใจมันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องปล่อยใจหลงเข้าไปนะดีใจก็ไม่เอาเสียใจก็ไม่เอาฟูก็รู้มันแฝบก็รู้ทัน ให้เรามันดูใจของเราอยู่เสมอไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นอย่ามัวแต่ส่งจิตออกนอกนะหรือว่าปล่อยใจลอยจนลืมตัวลืมกายลืมใจคาว่าลืมตัวเนี่ยนะมันก็มีความหมายหลายอย่างนะความหมายนึงก็คือว่าลืมรางเงาลืมถิ่งกาเนิดนะ อย่างลูกชาวนาที่ไปได้ดิบได้ดีในเมืองแล้วก็ลืมพ่อลืมแม่หรือว่าลังเกียดกลิ่นโคนสาบควายอันนี้ก็เรียกว่าลืมตัวเหมือนกันเขาใช้คําว่าลืมตัวเหมือนวัวลืมตีนนะอันนี้เป็นสัม น, นวนว่าคนที่ได้ดิบได้ดีแล้วก็ลืมโคตรเง้าเหลากอลืมถิ่นกําเนิดมาตกภูมินะแต่ว่าลืมตัวที่มันละเอียดกว่านั้นนะ ก็คือลืมตัวในขนาดจิตก็คือลืมกายลืมใจยกมือสร้างจังหวะตัวก็ทำไปแต่ใจนะมันลืมไปแล้วมันทิ้งกายไปแล้วไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้สึกเลยนะว่ากาลังยกมือกินข้าวเนี่ยอันนี้ยิ่งชัดใหญ่นะกินข้าวแต่ใจลอยใจเนี่ยมันไม่รู้เลยนะว่าตัวนี้กาลังกินข้าวอยู่ อันนี้ก็เรียกว่าลืมกายนะพวกเรานี่ลืมกายบ่อยนะเพราะว่าใจลอยลอยไปลอยมาก็จมหมกอยู่ในอารมณ์นะโดยเพราะอารมณ์เศร้าอารมณ์โกรธหรือว่าอดโอยตีโพยตีพายเพราะว่าเจ็บป่วยนะอันนี้ก็เราลืมใจนะเพราะว่าเหมือนกับเราทําใจตกหล่นอยู่ในรูในล่องเนี่ย ปล่อยใจตกหล่นเข้าไปในอารมณ์นี้ก็เรียกว่าลืมใจนะหน้าที่เราคือว่าต้องผ่าใจกลับมาต้องหาใจให้เจอนะหาใจให้เจอแล้วก็ผ่าใจกลับมากลับมาอยู่กับนึกกับตัวกลับมาอยู่กับกายนะการเจริญสตนะิก็คือการรนะักษาใจไม่ให้ตกหลน่นไปในล่องไปในรูที่ไหน ตกหล่นแล้วก็ต้องหาให้เจอแล้วก็พาใจกลับมานะแต่ก่อนนี่มันตกนานจมหมกอยู่ในอารมณ์นานกว่าจะหาเจอนะกว่าจะรู้ตัวแต่ตอนหลังเนี่ยถ้าเราทำํำบ่อยๆสร้างจังหวะบ่อยๆเดยยังก็บ่อยๆเนี่ยมันจะหาใจให้เจอหาใจเจอเร็วขึ้นนะไวพาใจกลับมาได้ไว กลับมาที่ไหนกลับมาที่กายก็คือว่ายกมือสร้างจังหวะก็ใจก็รู้ว่ากำลังยกมือเดินใจก็รู้ว่ากำลังเดินกินข้าวใจก็รู้ว่ากำลังกินข้าวอาบน้ำล้างหน้าถูฟันใจก็รู้ว่าอาบน้าล้างหน้าถูฟันนะอันนี้พูดง่ายคือว่าเมื่อกายเคลื่อนไหวนะใจก็รับรู้เมื่อใจรับรู้ก็ไม่ลืมกาย คลันใจเนี่ยเผือคิดนึกไปก็รู้ทันนะกายเคลื่อนไหวใจก็รู้สึกหรือว่ารู้ทันมันก็สุกง่ายๆการเจริญสตคิคือว่ารู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกนะรู้นี่ไม่ต้องไปจ้องเอานะไม่ต้องไปจ้องว่าเมื่อไหร่มันจะคิดเมื่อไหร่มันจะฟุ้งนะบางคนนี่คอยจ้องยกมือสร้างจังหวะไปก็คอยตักจ้องดูว่าใจมันจะเผือคิดไปไหม ไอตอนนั้นแหละที่เราลืมกายไปแล้วนะเพราะว่าไม่รับรู้ว่ากายเคลื่อนไหวให้มันฟุ้งไปก่อนแล้วค่อยไปตามรู้ทีหลังนะคำว่าตามรู้เนี่ยไม่ใช่ว่าจี้ติดติดตามหลังแต่หมายถึงว่าตามรู้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อใจมันฟุ้งแล้วค่อยไปรู้ตามหลังรู้ทีหลังนะอย่าไปรู้ก่อนนะอย่าไปดักรู้ก่อนมันฟุ้งแล้วค่อยไปรู้นะตาม คือรู้ที่หลังอันนี้ก็คือว่าตามรู้นะเดี๋ยวเขาจะไปตามจี้ติดๆให้การรู้กาย ร, รู้ใจเนี่ยนะบางทีครูบาอาจารย์ก็จะพูดในอีกแง่นึงว่าอย่าส่งจิตออกนอกคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกนี่ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องไปรับรู้สิ่งข้างนอกนะเมืราเราข้ามถนนเนี่ยเราก็ต้องดูทางดูรถใช่ไหม นะถ้าเราไม่ดูทางดูรถนะไปไปเพ่งที่เท้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นขณะที่ข้ามถนนใหญ่นะก็จะตายได้ระหว่งที่เราเดินข้ามถนนเนี่ยเราก็รู้กายนะรู้สึกตัวเวลาเดินแต่ขณะเดินกันก็เห็นรถเห็นลาเห็นถนนเห็นทางถ้ารถมันกําลังวิ่งเข้ามาก็หยุดก่อนนะปล่อยให้รถไปก่อนแล้วค่อยเดิน อันนี้เรียกว่ารู้นอกรู้ในนะรู้ในก็คือรู้กายรู้ใจถ้าใจเผลอฟุ้งไปขณะที่เดินข้ามถนนก็พาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอันนี้เรียกว่ารู้ในไม่ลืมกายไม่ลืมใจรู้นอกคือว่ารู้ว่าทางปลอดภัยไหมมีรถแล่นสวนมาหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าให้รู้ในอย่างเดียวไม่ไม่รู้นอก ที่ครูบาอาจารย์บอกอย่าสงจิตออกนอกนี่ไม่ไ้แปลว่าไม่ไม่ไปรับรู้รูปรถกลินเสียงนะที่เราต้องเกี่ยวข้องรูปรสกินเสียงที่เราต้องเกี่ยวข้องนี่ก็ถือเป็นปัจจุบันธรรมนะเมื่อเป็นปัจจุบันธรรมก็ต้องใส่ใจนะเช่นฟังเสียงเนี่ยเสียงบรรยายเนี่ยเสียงบรรยายตอนนี้เป็นปัจจุบันธรรมแล้วเราก็ต้องมีใจรับรู้นะเสียงนั้นนะไม่ใช่ เอาใจไปอยู่ที่อื่นเอาใจไปอยู่ที่เสียงที่แทรกเข้ามานะมีเสียงรถเสียงมอเตอร์ไซค์แทรกเข้ามาก็เอาใจไปตรงนั้นก็ไม่ใช่นะต้องวางเสียงวางเสียงนั้นลงออกจากใจแล้วก็มารับรู้ใส่ใจอยู่กับเสียงที่อัตมากำลังบรรยายอันนี้ถึงจะเรียกว่ามีสติการฟังนะมีสติการฟังก็ทำได้นะ เมื่อเรามีสติอยู่การฟังแม้เป็นเสียงมันจะมาจากข้างนอกตัวเราแต่เมื่อเรามีสติเราใส่ใจอยู่กับเสียงนั้นก็ถือว่าเรามีสตินะไม่เรียกว่าส่งจิตออกนอกนะส่งจิตออกนอกคือว่าปล่อยใจเผอลอยไปอยู่กับเสียงเช่นมีเสียงดังแทกเข้ามาเสียงคนคุยกันข้างล่างก็ไปจดจ่อยว้ที่เสียงนั้นอย่างนี้เรียกว่าส่งจิตออกนอกนะ เพราะว่าสิ่งที่ควรทาตอนนั้นคือว่าใส่ใจอยู่กับคำบรรยายหรือเสียงบรรยายนะรูปก็เหมือนกันนะอ่านหนังสืออ่านหนังสืออยู่เนี่ยนะใจก็รับรู้นะตัวหนังสือแล้วก็อ่านรู้เรื่องนะไม่ใช่ว่าตาเนี่ยเห็นตัวหนังสือแต่ใจลอยไปไหนไม่รู้หรือว่าไปสนใจเสียงโทรทัศน์นะเสียงเพลงที่กําลังดังนะ เช่นไปนั่งอ่านหนังสือในร้านกาแฟเนี่ยมันก็มีเสียงเพลงดังตานี่มันจ้องหนังสือแต่ใจนี่ไปอยู่ที่เสียงเพลงอันนี้เราส่งจิตออกนอกนะอันนี้เรียกว่าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันละนะปัจจุบันก็คือว่ากาลังอ่านหนังสือกาลังรับรู้ตัวหนังสือแล้วก็ทำความเข้าใจกับประโยคข้อความนะถ้าใจนี่ไปอยู่กับอย่างอื่นอยู่กับสิ่งอื่นนี่เรียกว่าส่งจิตออกนอก นะการที่ใจมารับรู้ตัวหนังสือเนี่ยตัวหนังสือนี่มันก็เป็นสิ่งภายนอกเหมือนกันนะมันไม่ใช่อารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจแต่ถ้าเราใส่ใจอยู่กับตัวหนังสือหรือว่าหนังสือที่อ่านก็เรียกว่ากําลังอยู่กับปัจจุบันนะจอ่านหนังสือให้รู้เรื่องเนี่ยต้องไม่ลืมไม่ลืมใจนะเพราะถ้าลืมใจเมื่อไหร่ก็คือว่าปล่อยใจลอยไปนวดไปนี่เนเรียกว่าลืมแล้วหาใจให้เจอพาใจกลับมาให้ตัวไหนตัวอะไรที่ทําให้ หาใจเจอแล้วก็พาใจกลับมาตัวนั้นคือสติสติทำให้รู้ทันคนนี้รู้รู้ในเนี่ยรู้กายรู้ใจเนี่ยนะอย่างที่บอกไว้แล้วก็ต้องรู้นอกด้วยนะรู้นอกในที่นี้เนี่ยรวมถึงว่าต้องรู้จักดูให้เป็นนะธรรมะเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดจากการรู้กายรู้ใจ เห็นความจริงของกายและใจเท่านั้นนะถ้าเรามองข้างนอกเนี่ยมองนอกมองให้เป็นนี่ก็เห็นธรรมมากเหมือนกันนะในสายพุทธกาลนี่จะมีครูบาจารย์หรือว่าพระสงฆ์สาวกหลายท่า น, น, ท, านที่ท่านบรรลุธรรมได้ก็เพราะว่าการที่ท่านเนี่ยมองนอกเนี่ยแล้วมองเป็นอย่างเช่นมีมีพระรูปหนึ่งเนี่ยท่านาท่านปฏิบัตินะ แล้วก็ใจก็เรียกว่าไม่ค่อยประสบความก้าวหน้าเท่าไหร่ระหว่างที่เดินก็ไปเห็นมะลิเนี่ยมะลิเคลือเนี่ยมันตอนเช้านี่มันก็ยังบานอยู่เลยนะแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยมันก็หล่นจากขั้วท่านเห็นก็พิจารณาว่าโอ้มะลิเนี่ยมันหลุดจากขั้วได้ชั้นใดเนี่ย นะเราก็จะทําให้กิเลสเนี่ยมันหลุดไปจากใจได้ฉันนั้นนะท่านมองอย่างเนี้นะถ้าไม่ได้มองเห็นเพี่งแค่มะลิมันหลุดจากคั้วเฉยแต่ท่านทําให้เกิดความตั้งใจที่จะทำกิเลสให้หลุดไปจากใจด้วยแล้วท่านก็ทําได้สําเร็จนะเป็นพระอรหันต์นะก็เรียกว่ามะลิเนี่ยนะสอนทําให้กับท่านนะแต่บางท่านเนี่ยนะ อย่างเช่นมีลูกศิษย์พระสายรบุตรท่านหนึ่งเนี่ยพระสายรบุตรให้ไปพิจารณาสุภกรรมฐานท่านก็นพิจารณาพิจารณาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นธรรมสักทีพระสายรบุตรก็เลยได้ให้ไปไปฟังธรรมจากพืชเจ้านะเพื่อว่าพุทเจ้านี่จะให้อารมณ์ที่ดีกว่าพุทเจ้าก็มอบดอกบัวให้พิจารณาท่านก็พิจารณาดอกบัวนะก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของดอกบัวว่ามัน แต่ก่อนมันตูมนะมันบานแล้วไม่นานมก็เหี่ยวเศาหมองสีเศร้าหมอ ง, มองท่านพิจารณาอย่างนี้ก็โยมมาถึงตัวเอง ว, ว่าสังขารของเราก็เหมือนกันนะมันก็ไม่เที่ยงเนี่ยเรียกว่าเห็นดอกบัวแล้วเกิดความสังเวชในสังขารขตัวจิตก็เกิดปัญญาขึ้นมาหลุดพ้นนะเป็นพระอรหันต์นะ ท่านเห็นดอกบัวแล้วก็น้อมเข้ามาสูดใจนะแล้วก็คนส่วนใหญ่นี่เห็นดอกบัวก็เห็นแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้รู้สึกอะไรไม่เกิดธรรมขึ้นมาแต่ว่าบางท่านที่ท่านเห็นแล้วเนี่ยท่านไม่ได้เห็นแค่ดอกบัวท่านเห็นธรรมะด้วยเห็นอนิจจังนะมีท่านหนึ่งปฏิบัติธรรมก็ไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่ระหว่างที่เดินจาริกไปนะ จะกลับไปที่วิหารจะไปเฝ้าพระเจ้าเนี่ยก็เห็นเพรีบแดดเห็นเพรียบแดดเดินไปสักพักเนี่ยก็เห็นน้ําเชี่ยวแล้วเห็นฟองน้ํามันแตกนะน้ําไหลเชี่ยวแล้วก็เกิดฟองน้ําขึ้นมาแล้วฟองน้วก็แตกมันเกิดขึ้นประเดียวดายแล้วก็แตกท่านเห็นก็พิจารณาเลยนะเออสังขารร่างกายของเรานี่มันก็ไม่เที่ยงมันก็ไะเดียวปะดา ว, วเหมือนกับเพรีบแดด เหือนกับฟองน้ำที่เกิดมาเพียงแค่ชั่วครู่ชั่วยามใจท่านก็เกิดปัญญาขึ้นมาทันทีเลยนะคือเข้าใจเรื่องไตรลักษณ์นะไม่ใช่แค่ธรรมชาติเท่านั้นนะบางทีก็เห็นเครื่องใช้ไม้สอยเนี่ยอย่างเช่นานางกีสาวกตมีที่เคยเล่าว่ า, าเสียลูกไปแล้วไม่ยอมรับว่าลูกตายตอนหลังพระเจ้าก็น้อมใจ แสดงธรรมนางพิจารณาตามก็ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันภายหลังก็บวชบวชแล้วก็ตั้งหน้าตั้งๆมีความเพียรในการปฏิบัติก็มีช่วงหนึ่งนั่งพักนะกลางค่ากลางคืนกําลังจะนอนแล้วก็พิจิก็มองเห็นดอกเห็นประทีปประทีปที่จุดแล้วเนี่ยแล้วมันก็พอเชื้อมันพอน้ํามันน้ํามันเนี่ยหมดมันก็ดับ พอปฏิบัติแบนี้ท่านก็พิจารณาน้อมเข้ามาถึงตัวเองว่าร่างกายเราสังขารเราก็ไม่ต่างจากปฏิบัตินะแม่น้ำก็จะต้องดับไปท่านก็เห็นอณิจังขึ้นมาทันทีแล้วก็ตามได้เห็นไตรักนะจิตท่านก็หลุดพน้นะหลุดพ้นเนี่ยเพราะว่าได้เห็นนะได้พิจารณาสัจธรรมความจริงนะจากปฏิบัตหรือเทียนที่จุด แล้วก็ดับนะอันนี้เรียกว่าท่านมองเป็นนะนะมองเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการนะเวลาเราเวลาเราดูกายดูใจรู้กายรู้ใจเนี่ยนะมองในแล้วก็รู้กายรู้ใจเนี่ยอันนี้เรียกว่าใช้สตินะใช้สติในการมองนะ รู้กายรู้ใจแต่เวลามองข้างนอกเนี่ยแล้วเกิดทำเนี่ยเรียกว่าเพราะมีโยนิโสมนสิการนะถ้าเรารู้จักมองแบบนี้เนี่ยจะพบอาจารย์อยู่รอบตัวเลยเมื่อวานก็ไลฟังไปแล้วนะพระทธิท่านมาบวชเพราะว่าเห็นว่ากลายเป็นค า, ารวะมันลําบากนะต้องอทำมาหากินนะ ว่าจะได้อาหารมาก็เหนื่อยยากเสื้อผ้าก็ปู่ป่าเมื่อปวดแล้วเนี่ยก็ยังเสียดายเสื้อผ้าเดี๋ยวยังคิดว่าถ้าเบื่อก็จะมาก็จะสึกแล้วก็จะเอาเสื้อผ้าเนี่ยกลับไปนะสวมใส่เสื้อผ้าก็ปู่ป่านะก็แขวนไว้ที่ต้นไม้เวลาจะสึกเวลาบวชแล้ว เกิดเบื่อขึ้นมารู้สึกว่าการเป็นพระนี่ลำบากท่านก็จะเดินไปที่เข้าไปในปา่าแล้วก็ไปดูพิจารณาเห็นเสื้อเนี่ยก็นึกถึงความลำบากตอนที่เป็นโยมก็ทําให้ความพิจารึกเนี่ยมันหมดไปเรียกว่าความกสันจะศึกนี่ก็หมดไปเปลี่ยนใจไม่ศึกดีกว่าเป็นพระสบายกว่าเดินออกมาจากปาก่าเพื่อนก็ถามว่าไปทําอะไร ต้องติต่อไปหาอาจารย์นะเป็นอย่างนี้หลายครั้งเพื่อนก็ถามว่าไปไหนมาไปหาอาจารย์นะเสื้อผ้าที่ปูปลานี่ก็เป็นอาจารย์ได้นะนะอย่างนั้นก็เตือนใจไม่ให้ศึกนะนั้นอาจารย์นี่มีอยู่รอบตัวเรานะถ้าเรามองให้เป็นกบนี่ก็เป็นอาจารย์ได้นะดอกบัวก็เป็นอาจารย์ได้ปลามดพึ่งล้วนแต่เป็นอาจารย์ได้ทั้งนั้น อาจารย์สอนธรรมนี่ไม่ใช่มีเฉพาะาพระไม่ใช่เฉพาะาหลวงพ่อหลวงตานะควายก็สามารถจะเป็นอาจารย์ได้นะบางพระบังรูปสมบูตการเนี่ยท่านท้อแท้ในการปฏิบัติปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่มีความก้าวหน้าวันหนึ่งหลวงที่ท้อๆเนี่ยนะก็ไปเห็นควายเนี่ยมันตกลม่ม มันตกลมเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันมันมันพอใจนะมันก็พยายามที่จะตะกายขึ้นมาจากลมมันทำตะกายเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ยังขึ้นมาไม่ได้แต่มันก็ไม่หยุดความเพียรท่านเห็นความเพียรของควายนี่นะมันตะกายจนทั้งในสุดขึ้นมาได้จากหลมเนี่ยท่านก็มองน้อมเข้ามาที่ตัวเองว่าเออเราเป็นมนุษย์นี่เราจะเพียร น, นะเราจะหยุดความเพียรไดอย่างไรนะขนา ควายนี่เป็นสัตว์เดรัจฉานแท้ๆมันยัมีความเพียรมากถ้าเราไม่มีความเพียรนี่เราก็แย่แย่กับควายใช่นะตรงนี้อาจจะเกิดมารนาขึ้นมาก็ได้นะว่าเราเป็นเดรัจฉานเนี่ยเฮ้ยเราเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะแพ้สัตว์เดรัจฉานได้อย่างไรจะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ทําให้ท่านมีความเพียรนะแล้วก็สามารถจะบรรลุธรรมได้ในที่สุดแล้วนะก็เรียกว่าได้ควายเนี่ยเป็นอาจารย์นะ นะเพราะฉะนั้นนี่เราพวกเราเนี่ยอยู่ที่นี่เนี่ยนะไม่ได้ขาดอาจารย์เลยนะแม่หลวงพ่อพคําเขียนจะละสังขารไปละจากโลกนี้ไปแต่ก็ยังมีอาจารย์อยู่มากนะอยู่ที่ว่าเราจะมองเป็นหรือเปล่า น, นะถ้าเรามองมองเป็นเนี่ยนะตัวโยนิโสมัสิการเราก็จะเห็นธรรมนะหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านเคยกล่าวว่า ธรร ม, มะมีอยู่ทุกหย่อมย้าสหรับผู้มีปัญญาธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมยญ้าสำหรับผู้มีปัญญาท่านเรียนหนังสือไม่มากนะนะท่านใช้เวลาในการจาริกทุกดงในป่าแล้วนะก็ทำความเพียรแต่ว่าธรร ม, มะที่ท่านสอนนี่มีความมีความลุ่มลึกแล้วก็ถูกต้องนะตรงกับที่ผู้เจ้าสอนพระมหาป ร, ริญ น, นะ ระดับเจ้าคุณระดับชั้นสมเด็จเนี่ยก็สงสัยนะว่าถ้ารู้ทำได้ยังไงไม่ได้เรียนหนังสือมากเนยพระสมเด็จท่านนั้นท่านก็เป็นประโยคนหกนะท่านก็เชื่อว่าการที่จะรู้ทำได้นี่ต้องเรียนสูงๆต้องต้องอ่านหนังสือมากๆทำไมหลวงปู่มั่นเนี่ยเรียนน้อยนะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในป่านะถึงรู้ทำได้ลึกซึง้ง พอถามท่านเช่นนี้ท่านก็เลยตอบนี่และว่าธรรมะเนี่ยมีทุกหย่อมยา่าผู้มีปัญญาหลวงู่มันท่านมีความฉลาดในการมองนะถ้าไม่ได้มองหรือว่าฝึกรู้กายรู้ใจเท่านั้นนะแต่ว่าท่านก็รู้จักมองสิ่งภายนอกแล้วก็เห็นธรรมจากทุกคนทุกแห่งงั้นเวลาบอกว่าอยากทงจิตออกนอกนี่ไมไ่แปลว่าไม่ต้องไปรับรู้สิ่งภายนอกนะ เมื่อจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันอยู่ที่ว่าเราจะมองมันอย่างไรนะมองอย่างมีส ต, ติหรือว่ามองด้วยโยนิโสมณสิการเนี่ยก็จะเห็นทำได้นะส่วนก็คือว่านะมองในก็ให้มีส ต, ตินะมองนอกก็ให้มีโยนิโสมนสิกการนะการทมากก็จะเจริญงอกงามในใจสามารถที่จะ กำจัด ก, กิเลสแล้วิชาออกไปจากใจได้อรชานี้ก็พอสมควรเท่านี้นะครับ